พวกเราถ้าจะคบเพื่อนนี่อยากจะคบเพื่อนรวยรวยบ้างหรือเปล่าน ะ, ะถ้าอยากจะคบเพื่อนรว ย, วยโดยเพราะที่รวยกว่าเรานี่มันก็มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจนะมันมีอาจารย์ที่หมหาลัยชิคาโกในสหรัฐเขาสอบถามความเห็นผู้คนประมาณสามพันกว่าคนอายุตั้งแต่สามสิกว่าจนถึงห้าสิบกว่าก็ให้ถามอะไรบ้างนะถามให้แต่ละคนนี่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 จบโรงเรียนเดียวกันนะจบหมหาวิทยลาลัยเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่เขารวยมากกว่าเราก็คงไม่มีความสุขเท่าไรอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยจำนวนไม่น้อยนะเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่สรุปจากคนอเมริกันนะแต่ว่าคนไทยก็มีจนว น, นจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าถ้าคบเพื่อน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 นางแบบจํานวนมากนี่ก็ผอมมากเพรรู้สึกว่าตัวเองนี้ยังผอมไม่พออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากนะที่รู้สึกว่าตัวเองยังสวยไม่พอทั้งให้ตัวเตัองก็สวยแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ท่ามกลางคนที่รูปร่างหน้าตาคี้รึขี้เหร่เขคงจะไม่มีความทุกข์เท่าไหร่เพราะสุดท้ายเที่ยวโอชันคือนางฟ้า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 สมัยเด็กๆ ก, ก็ยากจนไม่มีเงินไปเรียนหนังสือต้องเดินต้องเดินเท้าไปเรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็มีความสะดวกสบายถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกพอใจเกิดความสันโดษได้ง่ายใครจะเข้าจะรวยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาอรุไม่สนนาด้วยไม่อิจฉาเลยมีแต่มุทิตาจิตให้กับเขาการมีมุทิตาจิตการที่ไม่รู้สึกอิจฉาเขา อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งนะถ้าเราอิจฉาเขาเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกด้อยกับตัวเองมากท่า น, นั้นก็กลายเป็นดาบสองคมในด้านก็อิจฉาเขาแต่ด้านก็รู้สึกแย่กับตัวเองมันก็ทำให้เจ็บป่วยง่ายด้วยก็พูดเอาไว้เป็นข้อคิดตักเตรียมรับพร